156. คิหิวิกตานุญาตาทิว่าด้วยทรงอนุญาตเครื่องขีหิวิกัตเป็นต้น 256. สมัยนั้นเตียงก็ดีตั่งก็ดีของคนทั้งหลายหุ้มด้วยหนังบ้างรัดด้วยหนังบ้างภิสษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่นั่งทับพิกษุทั้งหลาย จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นั่งทับเตียงต่างที่เป็นขี้หิวิกัดแต่ไม่อนุญาตให้นอนทับต่อมาวิหารทั้งหลายเขาผูกรัดด้วยเชือกหนังภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่นั่งพิง ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นั่งพิงเฉพาะเชือกส่งห้ามและอนุญาตให้สวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านเรื่องพระฉับ พ, พัก ค, คีสวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านและภิกษุเป็นไข่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 สวมรองเท้าเข้าหมู่บ้านได้